วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศเป็นวันประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์มหิดลเข้ามาจะอุปสมบทเข้ามาเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันที่ส8บปดมีนาคมพุทธศักราชสอง5้าห้าสิบห้า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 ไ ม, ม่ผิดวินัยถ้าผิดวินัยก็คือรักษาวินัยและจบแต่ว่ากฎกติกาเนี่ยกระสุดแท้แต่สำนักหรือวัดนั้นๆจะนํามาประพฤติปฏิบัติหรือตั้งกฎกันขึ้นมาอย่างไรอย่างสมมติว่าบินทบาติเวลาเท่านี้ปัดกวาดเวลาเท่านี้ เ, เวลามาประชุมการร่วมกันเวลาเท่านี้อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็คือ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 นี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันถ้าอยู่องค์เดียวไม่มีปัญหาทํำยังไงก็ได้เพราะอยู่องค์เดียวคิดจะทําอะไรก็ได้จะไปเวลาไหนก็ได้แต่อย่าให้ผิดวินัยอย่าให้ผิดวินัยวินัยนั้นต้องรักษาเอาไว้ถึงจะอยู่ด้วยกันหลายองค์หรือจะไปองค์เดียวแต่อย่าทําความชั่วพระพุทธเจ้านตรัสสรุปแล้วก็คือถึงจะอยู่ องค์เดียวกระยาล่วงละเมิดศีลและวินัยฮะอย่าไปทำความชั่วอย่าไปล่วงล่วงละเมิดศีลและวินัยให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริรบรูรณ์ถึงจะอยู่มากอยู่น้อยถึงจะไปองค์เดียวก็ให้เคร่งอยู่ในวินัยนี่แหละแต่ถ้าว่าไปองค์เดียวไม่มีใครเห็นนะอะไรก็ทำความชั่วชาติเสียหายเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นพระไม่มีฮิริอตตปะ เป็นอรชิตาเป็นผู้ไม่มีไม่มียางอายไม่มีความละอายต่อบาปอันนั้นไปอยู่นัาสถานที่ใดไม่ดีทั้งนั้นเพราะไม่มีพระไม่มียางอายพระไม่มีฮิริโอต ป, ปะเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเราผู้เข้ามาศึกษาทุกองนะให้ช่วยกันรักษาทมและวินัยกฎระเบียบที่ได้วางเอาไว้แล้วโดยความโดยความเคารพ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 นี่ะคือตาและหูนะั่นเป็นพระวินัยใจให้คิดสํำเหนียกควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรถ้าเราเข้าไปศึกษาต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปที่ไหนคือซื้อบือ้อซื้อบือ้อต้องให้หมูได้บอกได้กล่าวซะก่อนยังค่อยทำพอทำแล้วก็ยังโมโหให้เขาอีกต่างหากอันนั้นไม่ใช่ผู้มาศึกษาเขามาขวางหมูขวางเพื่อนขวางวัดวาศาสานา ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นมีทางเดียวอัเปหิต้องไล่ออกจากวัดนะเพราะมันมาขวางขวางหมู่ขวางหลักพระธรรมวินัยสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายไปนักสถานที่ใดใช้ตาใช้หูใช้ใจเป็นผู้ซําเหี็จไปอยู่ในชนกลุ่มใดก็ตามต้องอย่างนีนะ้มาอยู่วัดของกลุงพ่ออีกเหมือนกันในหมู่ในคณะอีกเหมือนกันกขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน หนันักศึกษาที่เข้ามาแต่ก่อนก็เป็นคารวะพวกเราก็เป็นเด็กยังไม่ได้รับการศึกษายังไม่ได้ไปที่ไหนวัยุ ก, ก็เพียงจะย่างขึ้นเป็น20่เป็นผู้ใหญ่แต่ก่อนหน้านี้พวกเราก็วางตัวอีกแบบหนึ่งแต่ับันนี้พวกเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นบัณฑิตการแพทย์ถือว่าเป็นถ้าคนในชาติก็บหัวกะทิ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 บอกกัแล้วเนี่ยขนาดศีลแปดก็ยังว่านัตจักีตวาทิเตวิสูกทัศนะห้ามไม่ให้ฟังเสียงร้องรำทำเพลงอันนี้เราเป็นพระยิ่งสือส่อศีลสูงกว่านั้นไปอีกแต่เราไปฟังอย่างนั้นมันผิดแต่พวกไม่รู้จะทำยังไงเพราะเสียงธรรมก็อยู่ในเสียงวิทยุเหมือนกันถ้าเราจะเอาเอาทปให้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่จุงยาก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 กินตามยะปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบติดใ จ, จเป็นหนึ่งจากนั้นนำมากันกรองเมือออกจากสมาธิแล้วนำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนจากนั้นเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้เลยว่า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 ไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ถ้าว่าเราดูแผนที่เฉยๆว่าข้าพรเจ้ารู้แผนที่ทั้งหมดนั่นแหะมันจะเกิดประโยชน์อะไรมีแต่รู้เฉยๆในแผนที่ไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปก็ยังย่ำอยู่ที่เก่าเพราะไม่ได้ไปที่ไหนนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันเราดูศึกษาในพระไตรปิฎกท่านสอนอย่างนี้ศินอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้ปัญญาที่จะนำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะั้นทำอย่างนี้แต่เมื่อเราได้ศึกษา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 แต่พอเราเข้ามาบวชแล้วเราคิดถึงนู่นวิช า, าทางโลกวิชาทำเอาหงอาหารวิหาอยู่หากินอออกเที่ยวออกเตรยอย่างนั้นอ่ะมันถูกไหมอันนี้แปลว่าส่งจิตออกนอกแปลว่าผิดประเภทเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายที่จะบวชอไม่กี่วันข้างหน้าให้มีจิตใจแน่วแน่ให้มีจิตใจมั่นคงอแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจัง ให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเนีย่ยถ้าเป็นไปได้ให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดก้าวไปที่ไหนให้มีสติพุทโธอยู่ตลอดมาอยู่ในคราวนี้ถ้าเราทาจิตใจสงบเป็นหนึ่งยังไม่ได้แปลเราเรายังขาดทุนนะนะลูกหลานนะให้เราคิดอย่างนั้นเราขาดทุนเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือแล้วเราไม่ได้จบเอตามขั้นที่เราอยากจะเรียนไปถึงแล้วก็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 ทำจิตใจให้เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้ชัดเจน เ, เราเชื่อมั่นในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหูกับกายของตนเองนะเอรวมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นข้าพเจ้า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 ความอดทนของเรามีมากน้อยอย่างไงแค่ไหนเราจะรู้ตันเองในขณะที่เราทำอะไรเราไม่ได้ทำแบบเราไม่คิดไม่อ่านเราไปทำแบบพรีพรม เ, เราไม่ใช่ทาอดแบบอัตตกิลมัทธาเราอดเพื่อทดลองอความอดทนของเราในการประพฤติปฏิบัติของเราเพราฉนั้ขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ อ, อันนี้ก็คือแนวทางจากนั้นก็เนี่ยแต่ละวัน ชีวิตประจำวันของพระในวัดของเราตื่นมาก็นะ่ะประมาณตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาก็ไหว้พระหยอดหรือพิชดารกระสุดแทะแต่พวกเราเจ้าทำวัดเย็นพอทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งสมมาธิเสร็จแล้วก็น่ะประมาณาตีห้าเราก็ออกมาจากที่พักของเราแล้วทำมาที่ศาลามาที่ศาลาก็เตรียมจัดสถานที่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 จัดอาหารเสร็จเลยเพ่อหลวงพ่อก็จะมีอะไรถ้ามีคณะสัตยา ญ, ญาติโยมมาหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสมโภชนิยกถาให้แก่คณะสัตยา ญ, ญาติโยมได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นเครื่องระดับจิตปัญญาของคณะสัตยา ญ, ญาติโยมเพราะต่างคนก็ต่างมาจากจานตุรทิศไม่ใช่มาที่เก่ามาหลายหายคนห ล, หลายหมู่บ้านอย่างที่พวกเราได้เห็นเมื่อเช้าเนี่ยแหละหลวงพ่อจะได้พูดอะไรให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา พูดที่เข้ามาสูวัดวาศาสนาจากนั้นก็ให้พรแล้วก็ฉันพัะทหารพอฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยพวกเราก็เตรียมตัวล้างบาทเก็บอัฐบริขารหลวงพ่อก่อนถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็ได้พูดสนทนาปรารบกับผู้คนช่วระยะหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อก็กลับตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงพวกเราก็มาดื่มน้ําปานะ ที่โรงน้ำร้อนที่ท่านจัดเอาไว้จากนั้นเมื่อชันปาระเสร็จเรียบร้อยก่อในเวลาปัดกวาดหรือเราจะขึ้นกุฏิของเราหรือปัดปัดกวาดบริเวณศาลาจากนั้นช่วยกันทำความสะอาดศาลาที่พักพ้าอาศัยหงน้องหงน้าอะไรที่ขาดเหลือขาดตกช่วยกันจัดช่วยกันทำเสร็จแล้วก็กลับกุฏิที่พักอาบน้าส่งน้ำ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 M.P.3 ของหลวงพ่อเลือกกันที่พวกเรานักศึกษาหรือว่าพระรุ่นน้องควรจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับกฎและเบียบหรือว่าภาคปฏิบัติเบื้องต้นอย่างนี้นี่อันนี้ก็คือเมื่อเปิดเทปเสร็จแล้วพ่อก็นั่งภาวนาจักช่วระยะหนึ่งนานเท่าที่จะนานได้ตามที่อากาศเหมาะสมจากนั้นพวกเราจึงค่อยค่อยแยกย้ายกัน แหมกลับไปกุฏิแล้วก็ไปนั่งภาวนาอีกที่หนึงไปเดินโยกรมอีกที่นึงเนีจากนั้นก็สามสีทุ่มเป็นอย่างน้อยเนีจากนั้นเราก็ขึ้นต้องค่อยพักผ่อนพอพักผ่อนไดนะ้แล้วกันตีสามตีสี่เราก็ลุกขึ้นมาทํากิจจะวัดประจําวันอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนําไปนั่นแหะขอให้พวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาบวช ให้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนี่แหละอันนี้แหละคือชีวิตประจำวันของพระแต่มาพิจารณาอีกแบบมุมนึงก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ชีวิตที่จาเจทาแบบซ้ํากแต่ตามไม่จริงแต่เรามาคิดดูให้ดีแล้วการเป็นอยู่นแบบซ้ำซากจริงแต่ว่าแนวความคิดของเราแต่ละวัน เ, นเราคิดเรื่องอะไรให้ดูใจได้แต่ให้มันดูใจ ไอ้เรื่องการเป็นอยู่นั้นมันต้องอย่างนี้จะทำยังไงได้เพราะชีวิตประจำวันของเราต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าแนวความคิดของเราวันนี้เราคิดถึงบ้านร้องไห้ทั้งวันวันนี้เราคิดถึงใครก็ไม่รู้บางทีก็ง้อเหงาอยู่ทั้งวันบางทีก็เศร้าซึมอยู่ทั้งวันทำไมไม่ดูจุดนั้นต้องดูจุดนั้นจุดที่ใจของเราเราคิดเรื่องอะไรใจของเราปุฟุฟงสั่นไปถึงไหนจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบหรือไม่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 ต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานได้ศึกษาแล้วก็เป็นผู้ได้ความรู้แล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์จากตำรับตำราก็ถ่ายทอดให้แก่รุ่นน้องๆต่อไปนี่แหละถือว่าพวกเราเป็นทายาทหลวงพ่อจะพยายามแนะนำสั่งสอนจึงนห้นจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อจะไม่กำเอาไว้จะแบมือให้ตลอด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 หลวงพ่อขอพูดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะต่อไปเดี๋ยวจะให้กูบาเปิด MP3 นะแผนที่24กันที่3ให้พวกเราฟังอีกต่อหนึ่งแต่หลวงพ่อจะขอพวกลูกหลานไปหาที่พักก่อนอยากจะให้ลูกหลานได้ฟังวิธีการแนะนําหรือว่าแทะแนวสั่งสอนนั้นสอนยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลาพวกเราพวกลูกหลานต้องอัด ต้องอัดการศึกษาเข้าไปต้องเรียนรู้อาศัยการได้ยินได้ฟังนะให้มากที่สุดในช่วงนี้ทั้งครูบาทั้งหมดให้นั่งฟังด้วยกันแต่หลวงพ่อขอพักสักก่อนนะเพราะวันนี้หลวงพ่อก็ทำหน้าที่แล้ววันพุธนี้หลวงพ่อก็มีธุระอีกเอาครูบาไปเอา MP3 สแผ่นที่24กันที่สม